คุณวลีค่ะคุณวลีอ่ะเป็นยังไงือก็พยายามมีสติอืมดีๆตลอดเวลานะคะดีๆคุณวลีดีแต่ยังยังเป็นผู้ปรุงแต่งอย่างจุกจิ๊บจุ๊บจิุุุ๊๊บอย่างดิ้นรนอย่างคนหาอย่างพยายามแล้วมันก็มีความหงุดหงิดอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นควาไม่ปรุงแต่งไม่ได้ใจหรือจิตเดิมแท้นน่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง มันเป็นวิสังขารหรืออสังคตธาตุคือมันเป็นความว่างความว่างเช่นเดียวกับความว่างของธรรมชาติจักรวาลแต่ธรรมชาติของขันห้ามันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งมันก็เลยยังอยู่ด้วยกันเพราะธรรมชาติของขันห้ามันมีร่างกายที่ปรุงแต่งแล้วก็มีจิตปรุงแต่งคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่นธรรมชาติเนี่ยมันมันมันเป็นชัดชัอยู่แล้วธรรมชาติมันมีสองสิ่งนี้พวกท่านมาเนี่ย บางคนใส่สีดํามาบางคนใส่สีขาวมาถ้าขณะเนี้ยมันเป็นสีขาวมันจะเป็นสีดําไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยพยายามจะมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะคือก็รู้ว่าค่ะว่ามันปรุงแต่งบ้างแต่ก็พยายามมีสติที่จะดึงกลับมาเนี่คะผิดผิดผิดผิดเพรว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดมันปรุงแต่งอยู่เนี่ยอย่าไปมีสติรู้เต่าทัน แล้วก็ทำให้มันไม่ปรุงแต่งแต่ต้องมีปัญญาเห็นว่าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของปรุงแต่งส่วนใจผู้รู้ผู้เห็นจิตปรุงแต่งเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้วเราพยายามจะทำให้ตัวเราไม่ปรุงแต่งไอ้ตัวเราที่พยายามจะทำให้ตัวเราไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันจะกลายเป็นปรุงแต่งมันจะปรุงแต่งยังไงอ่ะปล่อยให้มันปรุงแต่งก็ได้แต่สัตว์ตวะรู้สัตว์ตเห็นว่ามันปรุงแต่งก็คือปล่อยให้มันปรุงไปเออใช่ ใช่ก็รู้ว่าเราปล่อยรู้ว่ามันมันปงคุงไปอย่างนี้อย่างนี้รู้ว่ามันนี่มันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติของขันห้าคือบางทีรู้ตัวแล้วก็คิดว่าเออถ้าปล่อยไปคล้ายๆว่าเราก็ไหลไปตามที่ที่คิดอะค่ะก็เลยพยายามที่จะหยุดไม่ไม่ไม่ไม่รู้ต่ออะไรเงี้ยบ่บ่บ่บบบเข้าใจผิดเข้าใจผิดถ้าไปทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะเอาไออตัวขันห้าเนี่ย ไอ้ตัวที่มีสติรู้เนี่ยเอาไอ้ตัวเนี้ยไปตัวเบรกไว้แต่ต้องเห็นว่าทั้งไอ้ไอ้ตัวที่มันปรุงแต่งเนี่ยทั้งไอ้สติรู้เท่าทันเนี่ยมันก็เป็นขันห้าปัญญามันก็เป็นขันห้าปล่อยให้มันเนี่ยทั้งเห็นตั้งรู้เท่าทันแล้วก็จิตที่ปรุงแต่งเห็นอยู่อย่างงี้แน่แต่ปัญญามันเห็นว่าทั้งสติปัญญาที่มันรู้เท่าทันก็เป็นขันห้าเป็นตัวปรุงแต่งจิตที่มันคิดปรุงแต่งเนี่ยมันก็เป็นปรุงแต่ง แล้วเวลาเวลาเราเราเรารู้ว่าเราปรุงแต่งเนี่ยก็ปล่อยมันไปให้ปรุงอย่างนั้นไปก็ตัวเราไม่มีนะไม่ไม่ไม่ใช่พูดถึงว่าเออที่เราปรุงแต่งเนี่ยก็ปล่อยให้ไอความความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันก็ปรุงไปเรื่อยๆโดยที่เรารู้ว่าเราเรารู้ว่ามีการปรุงแต่งเกิดขึ้นอืมอืมแล้วก็รู้ได้ว่าไอตัวปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นตัวธรรมชาติของฝ่ายปรุงแต่งอย่างนั้นก็ปล่อยให้มันมัน คือมีความกลัวมันจะไหลไปอะไรเนี้ยอืก็ธรรมชาติมันมีแค่สองสิ่งคือความปรุงแต่งกับใจไม่ปรุงแต่งแล้วแล้วไอ้คนกลัวเป็นตัวอะไรอ่ะไป็ตัวขันห้าเป็นตัวเป็นตัวปรุงแต่งไม่ใช่เหรออก็กลัวก็เป็นตัวขันห้าอีกใช่ไหมฮะอาอก็ใช่ดิใช่ดิอ๋อใจมันมันมันมีอาการไม่ได้เงคี้ยใจมันมีอาการไม่ได้มันกลัวไม่ได้คิดไม่ได้มีอาการไม่ได้แล้ไปเอาไอ้ตัวขันห้าเป็นตัวเราเสร็จแล้วมันก็เลยเอาไอ้ขันหน้าเป็นตัวกลัว ทำไมไม่เข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งอ่ะแล้วทําไมไปเอาไอ้แค่ขันห่าร่างกายที่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเราเป็นตัวขันห่าตัวกมมก็ก็รู้นะคะว่ามันคือมันแยกออกไปเป็นสองตัวเนี่ยมันแยกไดกันไม่ได้เพราะอีกตัวหนึ่งถ้าแยกปุ๊บถ้าเราไปทําแยกบรรจกายเป็นมีตัวหนึ่งคาอยู่และอ้วตัวหนึ่งก็แยกคาอยู่เพราะใจมันไม่มีอะไรเลยใจมันเป็นธรรมชาติจิตเดิมแทหรือใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนเลย คงปล่อยให้มันไปมันแต่ตัวปรุงแต่งแต่ใจเนี่ยมันไม่มีตัวแยกออกไปแต่ความปรุงแต่งเนี่ยไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดคือถ้าเราไม่ไม่ไปหยุดหรือว่าไม่ไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําให้คิดไปเลยเปื่อยอะไรอย่างนี้หรือฮะปล่อยมันคิดเลยปล่อยมันปรุงแต่งเพราะมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งปล่อยให้มันปรุงแต่งในต่อหน้าเนี่ยปรุงแต่งปรุงแต่งตรงนี้เลยแต่ใจไม่ปรุงแต่งทุกอย่างนั้นทำไมเพราะใจไม่มีตัว ก็เนี่ยเอ้าอย่าปุงแต่งก็ปุงแต่งเลยนั่งอยู่เนี่ยเอ้าปรุงแต่งไปสิเพราะมันเป็นเป็นธรรมชาติไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวสมมุติไอ้ร่างกายที่กําลังถือไม้เนี่ยไอ้ต okay, nah ัวน <for S 1> ี้เป็นตัวสมมติมันเป็นตัวปรุงแต่งเพราฮ้ยมันก็มีหน้าที่ต้องปุงแต่งแล้วถ้าไม่มีใครไปไปรองรับมันไม่มีใครไปเสวยมันไม่มีใครไปยึดมันแล้วจะเป็นอะไรทําไมเราจึงมีต้องเดี๋ยวเรากลัวว่าเดี๋ยวเราจะเป็นอะไรล่ะก็ในเมื่อเราไม่มีอ่ะ มันมีแต่ธรรมชาติปรุงแต่งของขันห้ากับใจที่ไม่ปรุงแต่งมันมีแค่สองอย่างอะแต่ทําไมมันมีตัวเรากลัวว่าตัวเราจะเป็นอะไรแล้วมันมีเกินไม่ตัวหนึ่งอะตัวไหนอะมันมีธรรมชาติมันมีแค่สองอย่างคือเนี่ยเหมือนตัวปรุงแต่งคือขันห้าเนี่ยเหมือนมือข้างนี้ยกขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งคือขันห้าตัวที่มีความคิดได้เนี่ยมันกับมือทํานิ้วกดดิ๊ดดิเนี่ยกับความว่างไม่ใช่สองมือยกขึ้นอย่างนี้นะ อีกอันหนึงอะเป็นความว่างเลยเ ป, เป็นความว่างไม่มีอะไรเลยนะี่คือใจหรือจิตเดิมแท้มาเลยเหลือมือเดียวเนี่ยมือไอ้คือขันห้าเนี่ยคือตัวเนี้ยที่กําลังถือไมลเนี่ยหรือมือเดียวที่มันมีจิตมันคิดกี่ทุกทุกุกกแต่มันไม่ใช่ว่ามีตัวไม่ปรุงแต่งอีกตัวนึงแยกออกมางี้นะไอตัวเนี้ยมันเนี่ยมันคิดอยู่ไหนไหนอะเพราะว่าตัวนั้นไม่มีไงตัวใจหรือจิตเดิมแท้มันเป็นความว่างเนี่ยแล้วไอตัวนี้ก็คิดอยู่ในความว่าง มันคิดอยู่ในความไม่มีอะไรไม่มีใครไปยึดถือมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างนะคือมันคิดอยู่ในสิ่งที่ไม่มีอะไรรองรับมันหมายล้วธรรมชาติมันมีแค่สองสิ่งนะมีตัวเราอยู่ตรงไหนตัวที่จะหลงไปถึงแม้มีตัวหลงไปมันก็เป็นในตัวนี้ไอ้ตัวมือที่กําลังทํากระดุกกระดิกระดุกได้เพราะเปนตัวขันหน้าแม้แต่แม้แต่จะเป็นตัวที่หลงไปก็ไม่จะเป็นเรา เพราะมันเป็นธรรมชาติของขันห้าที่ปรุงแต่งต้งแตกดับแม <fe> ้แต่จะมีกิริยาการหลงนะแต่มันก็เกิดดับเกิดดับไม่ใช่ตัวเราแล้วจะมีใครหลงแล้วจะมีใครกลัวว่าตัวเราจะหลงเพราะตัวเราไม่มีมันมีแต่ธรรมชาติปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยไอตัวที่มีครื่อหมายเครื่อชมาร์กอยู่ในในใจเนี่ยไอตัวที่มีครื่อหมายเครื่อชมาร์กเนี่ยคือตัวขันห้าคือตัวปรุงแต่งก็ปล่อยให้มันปรุงแต่งเครื่อชิมาร์กเนี่ยก็เห็นมันอยู่เนี่ย แต่ไม่ได้เอาไอ้ตัวที่เป็น question mark ที่เป็นตัวสงสัยเนี่ยเป็นตัวเราจริงๆจังๆนะได้แต่เห็นมันว่ามันเป็นตัวปรุงแต่งแต่เราเอาเนี่ยเรากำลังเอาไอ้ตัวสงสัยเนี่ยเราจะให้ตัวขันห้าเนี่ยเป็นตัวทําความเข้าใจให้ได้มันเป็นยังไงมันก็เป็นขันห้าต่อมันเข้าใจยังไงมันก็เป็นขันห้าแล้วสติช่วยอะไรไม่ได้เลยเหรอฮะเอาก็สติเนี่ยคุยกันเนี่ยเพราะมีสติมีปัญญาอยู่เลยคุยกันรู้เรื่องเลยไงแล้วก็ ส า, าสามารถเห็นได้จริงจริงอ่ะก็ห็นแหละก็เห็นตัวเรามีมีกุ้งหมายเคล็เมากมีตัวสงสัยอยู่จริงจแต่ไอตัวเราเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่เป็นตัวเราจริงๆมันเป็นตัวขันห้าแต่เราไปเอาไอตัวที่สงสัยเป็นตัวเราจริงๆคือธรรมชาติเนี่ยมันมีความปรุงแต่งในความไม่ปรุงแต่งความปรุงแต่งนี่เหมือนกับเนี่ยความคิดอารมณ์ที่สงสัยเนี่ยเหมือนกับเนี่ยโทรศัพท์มือถือที่ก็ปล่อยสัญญาณออกไปมันเป็นคลื่นนะเวลาอัดเทปไปเนี่ย ไอ้ตัวสงสัยตัวความคิดตัวความรู้สึกเนี่ยมันเป็นคลื่นตัวสติที่เรารู้เท่าทานตัวปัญญาเนี่ยที่เป็นผู้เข้าใจเนี่ยอยู่ในธรรมชาติในอากาศนี้ส่วนใจเนี่ยใจหรือจิตเดิมแท้มันเป็นความว่างเปล่าเหมือนกับเป็นอากาศอย่างนี้ธรรมชาติมันมีแค่สองสิ่งนี้คือธรรมชาติที่ที่มันปรากฏเป็นเหมือนคลื่นเป็นเวฟเป็นความคิดเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกแล้วมันกระดับหายไปแล้วก็ใจที่เป็นความว่างเปล่าที่ไม่ปรากฏอะไรนั้น ความผิดพลาดก็คือเราไปเอาไอ้ตัวที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเป็นตัวเราแล้วเราจะเอาตัวเราเนี่ยไปนิพพานคือเอาไอ้ตัวขันหน้าไปนิพพานน่ะมันเอาไปไม่ได้แล้วมันจะพยายามเอาตัวขันหน้าเนี่ยไปหาใจที่ว่างเปล่าเนี่ยมันเอาไปหาไม่ได้เพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่ามันเอาความมีอ่ะไอ้ขันหน้าเป็นความมีมีรูปร่างมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความปรุงแต่ง มันจะเอาความปรุงแต่งเนี่ยไปหาความไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันหาไม่ได้มันจะาตัวสติปัญญาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไปหาลิพานได้ยังไงแล้วลิพานคืออะไรแล้วธรรมคืออะไรมันธรรมชาติมันก็มีตัวปรุงแต่งคือขันห้ากับใจเรียกว่าธรรมขันห้าเรียกว่าโลกก็ได้พุทธเจ้าเรียกว่าโลกหรือเรียกกระปรุงแต่งเรียกว่าโลกเนี่ยเรียกว่าโลกมันมือหนึ่งเนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าโลกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ ใจหรือจิตเดิมแท้ที่เป็นความว่างมีสออย่างคือเรียกว่าธรรมใจหรือจิตเดิมแท้เนี่ยมันเป็นความว่างเหมือนกับความว่างของธรรมชาติแต่มันไม่ใช่เป็นเป็นธรรมชาติเป็นความว่างของธรรมชาตินะคือใจหรือจิตเดิมแท้เนี่ยกุศบัตมันคือเป็นความว่างเหมือนกับความว่างของธรรมชาติคือไม่มีตัวต น, นไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยอันนั้นเรียกว่าธรรมเนี่ยหมือนมือข้างนึงยกมาขันห้าเป็นตัวที่ปรุงแต่งได้ไอ้ตัวปรุงแต่งได้เหมือนมือข้างหนึ่งยกไาแล้วนิ้ u นิ้วทั้งหเนี่ยขันห้าคือนิ้วทั้งหกระดูกกระดิกกระดูกกระดิกกระดูกกระดิกได้ดิคือขันห้ามันกระดูกกระดิกได้ทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณมันกระดูกกระดิกได้นี่เรียกว่าโลกแล้วก็ใจหรือจิตเดิมแท้ถึงเป็นความว่างเหมันก็ทําว่างของธรรมชาติเนี่ยนี่เราจะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปหาไอ้ตัวนี้ไอ้ความว่างนี้ได้ยังไงอ่ะกำลังจะเอาอตัวที่สงสัยได้คิดได้สติปัญญาซึ่งเป็นตัวขันห้าเนี่ยไปหาความไม่มีจะไปจับความไม่มีจะไปจับได้ยังไงอ่ะ พรใจที่จิตเดิมแท้เป็นความว่างเนี่ยลองเอาสิเนี่ยมือมือที่ยกมานิ้วทั้ง5เนี่ยนิ้วทั้ง้านี่คือเปรียบเหมือนขันห้าเนี่ยร่างกายแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นขันห้าเนี่ยที่เป็นนิ้วกระดูกกดกได้5ขันเนี่ยไอ้ที่ว่าเนี่ยลูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณีกระดูกกระดกได้จะเอาไปจับความว่างเนี่ยคือใจที่จตเดิมแทบความว่างจะไปจับได้ยังไงตอนนี้กำลังเอาเอาไอ้ตัวที่มันเค้นเคนเคนเคนสติปัญญาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเอาขันห้าเหมือ เขาจะจับได้ยังไงเรียกว่าเจ้าโลกไปหาธรรมเจ้าโลกไปจับธรรมไปยึดธรรมไปหาธรรมที่ใจว่างเปล่าจะหายัางไงเธอจะจับอย่างไรกันได้ไม่มีทางที่จะเอาตัวเนี้ยไปหาใจที่ว่างเปล่าเจอเพราะโลกก็ไม่ใช่นิพพานโลกเป็นตัวปรุงแต่งก็ไม่ใช่นิพพานมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่ง ส่วนใจหรือจิตเดิมแท้เป็นความไม่มีอะไรเนี่ยเป็นความไม่มีอะไรก็ไม่ใช่นิพพานฟังให้ดีนะใจหรือจิตเดิมแท้ที่ไม่มีอะไรก็ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ว่าเอาโลกพยายามไปจับใจที่ว่างเปล่าใจที่ว่างเปล่าก็ไม่ใช่นิพพานเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอันนี้เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งธรรมชาติสองธรรมชาติไม่ใช่นิพพานโลกก็ไม่ใช่นิพพานธรรมก็ไม่ใช่นิพพาน โลกก็ไม่ใช่นิพพานธรรมที่ว่างเปล่าก็ไม่ใช่นิพพานนิพพานคืออะไรปล่อยวางทั้งโลกปล่อยวางทั้งธรรมใจที่ว่างเปล่าไม่มีใครยึดปล่อยให้โลกคงเป็นโลกคือขาน้าแสดงไปปล่อยให้ใจที่ว่างเปล่าก็คงเป็นใจที่ว่างเปล่าไปสิ้นผู้ยึดทั้งโลกสิ้นผู้ยึดทั้งธรรมเนี่ยแหคือนิพพานนิพพานคือไม่มีใครยึดทั้งโลกไม่มีใครยึดในธรรม เพียงแต่มันรู้สึกได้ว่าในใจเราเนี่ยมันมีความปรุงแต่งแต่ใจไม่มีปรุงแต่งมันรู้สึกได้แค่นั้นเนี่ยมันเอาสมองไปคิดหาไม่เจอมันเอาตาเอาหูาจมูกเอาลิ้นเนี่ยเอาประตูใจเนี่ยไปมองหามันอ่ะไปสัมผัสไม่ได้สัมผัสทางใจก็สัมผัสไม่ได้สัมผัสได้ประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายสัมผัสมันไม่ได้ใจอ่ะใจจี่ไม่มีตัวตนสัมผัสมันไม่ได้เพียงแต่มันรู้ได้โดยใจว่ามันรู้ได้โดยใจอ่ะเพราะใจมันเป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าจะเป็นธาตุรู้มันรู้ได้ว่า มันมีอะไรเกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าคือขันห้านั่นเองเนี่ยโลกลยเนี่ยคือขันหานี่ยมันเกิดดับเหมือนกับมือ น, นี้มือนเนี่ยที่ยกขึ้นมาห้านิ้วเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับที่นกุดุดในธรรมชาติของความว่างของธรรมชาติจักรวาลไอขันห้าซึ่งเป็นรูปเวทนาสัญญาตั้งกามวิญญาณที่ปรากฏเป็นรูปนิมิตต่างๆเนี่ยเป็นเวทนาสัญญาตั้งกามวิญญาณ เป็นความรู้สึกนึกคิดติตรองมป็นพูดได้บนได้ใช่มแต่ไอตัวพยายามหาควาเข้าใจเนี่ยตัวเนี้ยมันเกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปลา่าแต่ไม่มีใครยึดทั้งไอไอขันห้าที่มันเนี่ยกระดุกกระดิกและไม่มีใครยึดทั้งใจที่ว่างเปลา่ามันสิ้นผู้ยึดถึงเป็นนิพพานแต่โยมเนี่ยกําลังเอาขันห้าไปหานิพพานแล้วจะไอตัวสติปัญญาไอตัวสงสัยเนี่ยไปไปไปไ ป, ไปหานิพพาน แล้วจะไอตัวขันห้าเนี่ยไอเป็นนิพพานนิพพานคืออะไรไม่ไม่ยึดทั้งโลกไม่ยึดทั้งธรรมไม่ยึดทั้งขันห้าไม่ยึดทั้งใจที่ว่างเปล่านั่นแหละสิ้นภูยึดเนี่ยจึงเป็นนิพพานเออต่อให้ใช้สมองเนี่ยเค้นให้ตายเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกมันเพียงแต่ว่ามันรู้สึกออกมาจากใจว่า ต่อให้ปรุงยังไงแต่ใจก็ว่าเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งคือปรุงอยู่ในธรรมชาติของใจที่ไม่ปรุงไม่ได้ใช้สมองคิดไปรู้ออกมาจากใจความปรุงมีอยู่ใจที่ไม่ปรุงไม่อยู่แต่ธรรมชาติสองสิ่งนี้ไม่มีใครยึดจึงจะเป็นนิพพานไม่ใช่ไปยึดใจให้ว่างถ้าพยายามยึดใจให้ว่าง เป็นอวิชชาไม่สิ้นผู้ยึดก็ไม่สิ้นทุกข์พยายามจะทําใจให้ว่างก็เป็นอวิชชาไม่สิ้นยึดก็ไม่สิ้นทุกข์หลวงตามหาบัวพูดไว้ชัดมากว่าใจหรือจิตเดิมแท้ที่เป็นความว่างเนี่ยไม่ใช่ขันห้าใจหรือจิตเดิมแท้ทึ่เป็นความว่างเนี่ยที่เป็นความไม่มีตัวตนไม่ใช่ขันห้า ไม่ยึดขันห้าแล้วยังไปยึดใจเป็นอวิชาเป็นกิเลสเป็นตัญหาเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติเป็นทุกข์ไม่ยึดขันห้าแล้วต้องตามหาบัวพูดไปชัดมากไม่ยึดขันห้าแล้วแต่ยึดใจจะให้มันว่างให้มันบริสุทธิ์เป็นอวิชาไม่ใช่ว่าเราใช้สมอง พยายามเนี่ยใช้สติปัญญาของมันเป็นขันห้าใช้ระบบสมองระบบความเข้าใจเนี่ยคิดคิดคิดคิดคิดไปจะให้มันไปเป็นนิพพานไม่ได้จะให้มันเป็นใจที่ว่างเปล่าไม่ได้เพียงแต่รู้สึกออกมาจากใจว่าเออคิดไปแต่ใจมันไม่ใจมันก็สงบและว่างเปล่าจะมันคิดอะไรก็คิดไปแต่ใจมันสงบและว่างเปล่ามันเป็นคนละส่วนกันเพราะธรรมชาติมันมีอยสองสิ่งมันอยู่ด้วยกัน นี่คือกฎของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติปกติเนี่ยความว่างของจักรวาลเนี่ยเดียบเหมือนใจที่ว่างเปล่าแต่ในความว่างของจักรวาลมีสิ่งปรุงแต่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยคือโลกและสิ่งที่อยู่บนโลกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ลอยอยู่ในจักรวาลเป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งหม ด, หมดลอยอยู่ในความว่างเปล่าใจเี่ยเป็นความว่างเปล่าเหมือนจักรวาลความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ เป็นเหมือนกับทุกอย่างที่ลอยอยู่ในจั ก, กรวาลที่ว่างปล่าสองธรรมชาตินี้อยู่ด้วยกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแต่เกิดดับในใจที่ไม่เกิดดับความมีมีอยู่ในความว่างความเกิดดับเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับความมีมีอยู่ในความไม่มีธรรมชาติสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกันทั้งภายในและภายนอก ภายในร่างกายเรามีขันห้าเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับคือใจที่ไม่เกิดดับใจลิจิตเดิมแท้ที่ไม่เกิดดับในธรรมชาติของจักรวาลเนี่ยมีจักรวาลที่ว่างเปล่าที่ไม่เกิดดับแต่มีทุกสรรพสิ่งลอยอยู่ในจักรวาลล้วนแต่เป็นสิ่งไม่เที่ยงเกิดดับเปลี่ยนแปลงมีความเสื่อมไปตลอดเวลาธรรมชาติภายในกับภายนอกเหมือนกันแต่ไม่มีใครยึดถือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งและไม่มีใครยึดถือธรรมชาติฝ่ายที่ว่างเปล่า ไม่มีใครยึดถือใจที่ว่างเปล่ามันก็เลยเป็นความมีมีอยู่ในความว่างอย่างนั้นตลอดการจนกว่าขันห้าจะตายแตกดับก็เหลือแต่ใจที่ว่างเปล่าลองยึดถือความว่างนี่เปรียบเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกับมือหนึ่งยกขึ้นมาแล้วก็มีของอยู่บนมือเนี่ยนี่เรียกว่ายึดถือโลกไว้ยึดถือโลกหนักไหมมันหนักยึดถือไว้อย่างเงี้ยมันหนักยึดถือโลกมันหนักอีกอันหนึ่งบอกว่า พยายามยึดถือใจที่ว่างเปล่าเนี่ยยกมาอีกมือหนึ่งแล้วก็ดันความว่างไว้ดันอากาศไว้แบกแบกอากาศเป็นความว่างไว้มือหนึ่งแบกสิ่งของแบกขันห้าแบกสังขารที่เป็นความหนักไว้มันหนักไหมเนี่ยมันหนักมันทุก remos. แต่อีกมือหนึ่งเนี่ยยกขึ้นแบกอากาศที่ว่างเปล่าไว้สองมือแบกไว้อย่างเงี้ยมันหนักไหมหนักพยายามวางอยู่มือหนึ่งวางขันห้าวางสังขารทั้งมวลพยายามวางทุกอย่าง วางหมดเลยแต่มืออีกข้างนึงแบกอากาศไว้ไม่ยอมวางแบบความว่างไว้มันทุกไว้เนี่ยลงตามหาเบัวว่าวางทั้งขันห้าวางทั้งใจที่ว่างเปล่านั่นไะนิพพาน อ, อ, อย่างนี้เนี่ยเข้าใจออกมาจากใจไม่ใช่ว่าเข้าใจด้วยสมองรู้แจ้งออกมาจากใจ มันก็อยู่ด้กันไปจะกว่าจะตายขันห้าก็อยู่กันไปใจก็ว่างเปล่ามันก็อยู่ด้วยกันมันไปอย่างที่ไหนไม่มีใครยึดทั้งขันห้าไม่มีใครยึดตั้งใจว่างเปล่าแต่มันก็อยู่ด้วยกันตลอดไปจนกว่าจะตายขันห้าก็ดับไปแล้วแต่ใจที่ว่างเปล่า